เรื่องพระอาหารหันต์โสพิตาระลึกชาติได้500กับหนึ่งเรื่องครั้งนั้นพระโสพิตะบอกเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่ากระผมระลึกชาติได้500รกับภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าชายไนพระโสพิตะกล่าวอย่างนั้นเล่าท่านกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชาติในอดีตของโสพิตะภิกษุนั้นมีอยู่แต่มีเพียงชาติเดียวเท่านั้นโสพิตากล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่หกสิบปาราชิกศิกขาบทที่สี่จบ